โทษแห่งศีลวิบัตหิหาประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามว่าขหบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการคือ 1. คขหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้ทุศิลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์ใหญ่หลวงซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศิลป์สขะหาบดีทั้งหลายกิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศิลป์ มีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนสามขะหาบดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยบริษัทก็ตามปรามณบริษัทก็ตาม ขหบดีบริษัทก็ตามสมณบบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศิลป์สขหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศิลป์มีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตาย นี้เป็นโทษประการที่สแห่งศีลวิบัติของผู้ทุศิลป์หข้าบดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศิลป์มีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาดนรกนี้เป็นโทษข้อที่5แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศิลป์ ข้าหาบดีทั้งหลายสีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศิลป์มีโทษห้าประการนี้แล